วันนี้เป็นวันที่เก้าตุลาคมพุทธศักราชสอง5หร้ยห้าสิบห้าวันนี้แรมเก้าค่ำเดือนสิบวันนี้รู้สึกว่าพระกูบา น, นาตามาฉันเยอะวันนี้งดฉันสามรูปตามรายงานไม่มาฉันสามรูปดูแล้ว ปูบารู้สึกหนาตานะวันนี้นะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตนของพระกรรมฐานแนวแถวสายหลวงปู่มั่นทั้งอดนอนผอดอาหารอดอาหารแล้วก็ผอนอาหารและวก็งดอาหาร อันนี้คือสุดแท้แต่องค์ท่านแต่แต่ละองค์ให้สังเกตตนเองการทาความภาคเพียนเพราะเราบวชเข้ามาเราไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้บวชมาเพื่อความสุขสนุกสบายในการเป็นอยู่เราบวชมาเพื่อบาเพ็ญหาทางพ้นทุกข์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราได้ศึกษาดูแล้วท่านจึงให้ประพฤติปฏิบัติในครั้งพุทธกาลถ้าหาว่าพระฉันไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักโพสเนมัตตัญยุตาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคพระพุทธเจ้าก็ตาหนิเนี่อตำหนิตาหนิพระที่ฉันไม่รู้จักประมาณ ฉันจนเกินแค่ควาบวชเข้ามาแล้วกับเพียงแต่ว่าได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้ฉันเท่า น, นั้นไม่ได้คิดเรื่องจิตตภาวนาหรือไม่ได้ภาวนาบวชเข้ามาเพื่อแสวงหาความสุขในการอยู่การกินในเมื่อเป็นกระวาดไม่มีอยู่ไม่กินเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ทำตน ไม่ได้มุ่งหวังไปในทางธรรมะพระพุทธจเจ้าตำหนิท่านตำหนิบอกพระองค์หนึ่งในครั้งพุทธการวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระองค์นี้โลกทานอาหารผลที่สุดก็เลยตายตายตายก็คงจะอาหารมันจุกท้องยังไงก็ไม่รู้ละ แต่ในพระสงฆ์ก็สนทนากันเออพระองค์นี้ทานอาหารมากจนเกินไปจนตายพระพุทธเจ้าทตรัสว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ตายแต่ในชาตินี้เทรานะในอดีตชาติก็เคยเคยโลภในอาหารพระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าสมัยหนึ่งเราเป็นนกแขก เป็นนกแขกแล้วก็เป็นหัวหน้าหัวหน้านกแขกนกแขกเต้าเราก็ไปบินพาบริวารไปหากินในสถานที่ต่างๆพอต่อมาเราก็บินรู้สึกว่าจะใช้กําลังรูปบินเร็วจนเกินไปทำให้สายตาของเรา เ, เสื่อมลงเรื่อยๆ ปนิชุกไปไม่ได้ก็เลยอยู่ในถ้าแต่ว่ามีนกมีลูกนกมีลูกนกนกแขกเต้าเห็นว่าพ่อแม่ตาบอดมันก็ไปคาบอาหารมาให้ให้พ่อแม่กินพ่อแม่ก็ตาบอดอยู่ในถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยทั้งตาบอดทั้งพ่อทั้งแม่แต่นกตัวนี้ไปคาบผลไม้ อะไรที่จะคาบมาได้มาให้พ่อแม่กินแต่วันหนึ่งพ่อแม่ได้ทานผลมะม่วงมะม่วงสุกโอ้รสอร่อยมากอ่ะพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกเอ้ยอันนี้มะม่วงเอพันุ์นี้เนี่ยพ่อเคยไปเคยไปกินมาก่อนแล้วนะอยู่ในเกานะกลางทะเลนะั้นมะม่วงพันธุนี้เนะ่ะ พ่อจำได้มันรสดีเหลือเกินลูกจะไปกินนะลูกนะพอนกตั้งหลายไปกินมะม่วงในเกาะนี้แล้วโดยมากจะตกน้ําทะเลตายเพราะเหตุไรพราะกินแล้วจนจุกจนแน่นท้องหมดกําลังบินไม่ข้ามน้ําทะเลพอกินไม่รู้จักประมาณพร อ, อร่อยเท่านะั้นก็ยิ่งกินมากกินมากกินมากพอได้ส่วน พอกินเองแล้วก็บินบินออกมาสู่ฝั่งสู่ฝั่งนอกพลที่สุดก็ตกในกลางมหาสมุทรตายมากโตมากแล้วเพระอนั่นลูกอย่าไปกินดีในรถรถอาหารน่ลูกนะไปหากินเกาะอื่นไปหากินที่อื่นเถอะอันตรายน่ลูกนะอันนี้คือพ่อเนี่ยเคยเคยผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามาแล้ว น, ะนกพรโพธิสัตว์เนี่ย ท่านถึงจะตาบอดก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ก็สอนลูกอย่าไปยินดีในอาหารในเกาะนี้นะมะม่วงนะมะม่วงกอะนี้นะรสดีแต่ว่าโดยมากพอกินเข้าไปแล้วมันลืมฮะเามันลืมตัวกินกินกินกว่าจะรู้ได้ว่ามันกินมันพอแรงนะจนจนเพียงคอแล้วไงจะกืนไม่ลงเอาแล้วมันอร่อยฮะมันหวานมันรสดี ทางลูกชายก็บอกว่าผมรู้จักประมาณกินกันแล้วกันนะพ่อพอผลี่สุดก็เลยไปไม่นานนกตัวนั้นก็เลยหายเงียบไปผู้พ่อก็เลยได้เวลากับไม่เห็นลูกเอาข้าบผลไม้มาให้กินนกตัวนั้นโอ้ลูกของเราคงไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราคงจะไปกิน มาม่วงที่เราเคยบอกมาแล้ว เ, ออเขาก็คงจะตกน้ำทะเลตายแล้วลูกของเรานะคือนกสองผัวเมียที่ตาบอดนั่นก็อยู่ในถ้ำผลี่สุดก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้ทานอาหารจากลูกก็ชีวิตของเขาก็เลยตายลงไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยพระองค์นีเออ้เคยทานอาหาร แล้วก็บอกไม่ฟังโลภในอาหารเคยมีแล้วใ น, ในชาดกในชาติที่เป็นนกแขกเต้านะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสอนคนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารถ้าใครบริโภคอาหารมากจนเกินไปก็ททำให้ง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็สลําสลัมสลือ คิดอะไรไม่ออกอ่ะท่านก็เปรียบเทียบกับพญาปเสนที่โกศลอีกพญาปเสนที่โกศลมาตอนสวยอาหารเสร็จใหม่ก็มากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธเจ้า ว, วัดเชตะวันพอมากราบพอพระพุทธเจ้าแสดงทําให้ฟังท่านน่นสะสงบงกงงันอ่ทั้งนั่งไปด้วยทั้งหลับไปด้วยพระพุทธองค์เทศอะไรใหม่รู้เพราะตัวเองง่วงอะ พระพุทธองค์ก็ถามว่ามาหาบพิษวันนี้เป็นอะไรทไําไมถึงง่วงง่วงนักเพราะข้าพระองค์พึ่งเสวยอาหารมาใหม่ๆก็เลยทําให้ง่วงพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเสวยมากจนเกินไปทีมาหาบพิษเอาเพียงขนาดนี้ขนาดครึ่งครึ่งอิม่มก็น่าจะพอเพราะเราจะได้ทานอาหารต่อไปภายภาคหน้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอิ่มทุกครั้ง แต่นี้พยาปเสนก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ห้ามไม่อยู่ล้งางไม่อยู่พระเจ้าข่าพอได้ทานเข้าไปแล้วมันเบรกไม่อยู่ตอนนี้พระพุทธเจา้าเ่้นก็เลยบอกว่าเออทาจอย่างนั้นก็คนได้อยู่ข้างๆร้องเพลงร้องเพลงเตือนไว้คือจะใครจะเตือนพระราชาผมเตือนยากใช่ไ้ยก็เลยแต่งเป็นเพลงตเตือนเอาไว้ พอเสร็จแล้วพระองค์ก็แต่งให้คำไปให้คำที่จะเตือนไปแต่เป็นร้องเป็นเพลงไตอนนี้พอพระยาปัฏเสนทานอาหารเข้าไปประมาณแค่ครึ่งๆเนี่ยคนสนมจุกใกล้ๆข้างๆก็ร้งงองเพลงขึ้นมาถ้าสเสวยมากเกินไปจะทำให้งห่ว ง, วงสลัมสลือเหมือนกับอะไรกว่ากันไปแล้ว ภรยาประสิิ์เออได้สติเนืได้สติเหมือนกันะเออคือเขาเตือนเราแล้วเนี่ยเออเขาไม่สวยอาหารให้เต็มอิ่มนี่แหละอันนี้ต่อมาพระเจ้าประเสิิ์ก็กระปี้กระเป๋าเ อ, อสดชื่นแจ่มใสไปที่ไหนก็ไปได้พระพุทองค์ทํามมหาวิาพิสเป็นไงโอ้ข้าพระองค์ตั้งแต่งดอาหารมานี่รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋า ครับผ ม, มนั่นแนหะอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าไปเห็นแก่ลิ้นอะไรมากต้องดูทานไปแล้วก็เท่านั้นละ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากอันนี้คือพระพุทธองค์เตือนพระเจ้าปเสณที่โกศลในยุคสมัยนั้นท่านจึงตรัสว่าโพชเนมัตตัญยุตารู้จักประมาณในการบริภโภคอาหารอย่าไปมากนักอย่าไปน้อยนักถ้าน้อยมากก็หิวจนเกินไป ถามากมากนักอืดจนเกินไปนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดเหมือนกันนะถ้าพวกเราหยิบยกเอามาพูดหรือมากล่าวเตือนกันเนี่ยมันมีมากลากหลายเหลือเกินอย่างที่หลวงพ่อพูดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 84% 00มพระธรร ม, มขันอ่ถ้าเราจะเอาตัวไหนตรงไหนมาว่ากล่าวมาเตือนมาเป็นคติตัวอย่าง สำหรับพวกเรามีมากทั้งทางดีทั้งทางเร็วทางเร็วมีมากเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อพูดประเทวทัตจะทำร้ายพระพุทธเจ้ามีหลายๆอย่างกลิ่งก้อนหินจากดอยเขาคิจกูดป่อยช้างนาลาคิริงแล้วก็จ้างนายขมังธนูไปฆ่านี่ที่หลวงพ่อพูด แต่ตามไม่จริงหน้าหวาดเสียวที่สุดคือคืนจ้างนายขมังธนูไปฆ่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่กลิ่งหินที่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะกิ่งหินก่อนมันจะตกลงมาทับพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงบดามกรุกขึกขักกรุกขึกขักจนพลังใช่ไหมจะเดินหลบหลีกไปที่ไหนก็ได้ฮชแต่นี่ยพอหินตกลงมาในพื้นเม็เดหินเกร็ดหินกรเดนมันมาถูกเท้าพระพุทธเจ้าถูกประบาดพระพุทธเจ้า อย่างพะโลเหตให้ห่อเออเทวทัตเห็นไหมถึงจะไม่เก่งทัพเอพระพุทธเจ้าก็จริงแต่อยจางน้อยกับป้าพระบาท่อก็แล้วกันล่ะะได้ได้ทีอย่างนั้นแต่ตามความจริงพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกก็ได้แต่เนี่ยมาเทวทัตจะเสียใจมากจนเกินไปนที่ตำราประไตปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นะแต่ปล่อยช้างนาราคิลิงมาเหมือนกันพอปล่อยออกมาเอาตะกรอน ช้างตัวนี้นะ่ะเวลาจะเข้าศึกสงครามเนจะให้กินเหล้าเพียงแปดกออมน่คือแปดกออมคือคือแปดองค์เล็กๆน่ะไม่ใช่เล็กนะวะเขาคงจะรู้ประมาณแปดกออมออมหนึ่งม่ทูดใบท่วกี่กงกี่ขวดเน่เขาให้กินแปดกออมเข้าสู่ศึกสงครามแต่คราวนี้เขาให้กินถึงสิบหกกออมให้มันเมาอย่างเต็มที่ออกมาไม่ให้ไม่ให้มันรู้จักว่าใครเป็นใครเลย ออพอเห็นพระพุทธเจ้ามาในทางที่ไม่มีทางหลีกทางเลี้ยงก็ปล่อยช้างออกมาช้างออกมากูวิ่งปั่นออกมาเลยแต่ตามไม่จริงอันนี้ก็ไม่น่ากลัวหลวงพ่อว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าหลบเข้าไปในบ้านใครก็ได้ใช่ไหมช้างมันจะรู้จักขนาดนั้นเหรอพอเราหลบเข้าไปมันก็กจบถนนผนทางทั้งสองข้ามก็ต้องมีบ้านคนทั้งนั้น แต่นี้ก็ไม่น่ากลัวแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็พระอนุ์กูวิ่งออกมารับแทนพระพุทธเจ้ายอมตายแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์เนี่ไปว่าไม่เป็นขบวนที่ตามเสด็จเนี่ยกลัวแต่พระอานนุลออกหน้าเลยข้าจะตายแทนพระพุทธเจ้านีแต่นี้พอช้างมาวิ่งมาพระพุทธเจ้าบันดาลให้พระอานุ์ตามหลังด้วยอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าบันดาลให้พระอานุ์ตามหลัง ตอ น, นั้นกิช้างเขามาถึงเอ้ยนาลาคิริงเธอยุศอย่าขนองอต่อไปภายภาคหน้าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นเขามอมเมาด้วยสุราเธออย่าไปหลงอย่าไปขนองยศ ด, ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าช้างตอนนั้นก็หมอบเลยพอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าช้างตอนนั้นก็หมอบเพราะมันตระกูลเดียวกันใช่ไหม พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าช้างนาลากิเลงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะฉนั้นช้างตัวนี้ก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตอนนั้นสยบล่ะอันนี้ก็คือก็ไม่น่ากลัวแต่นายคำังธนูที่ว่าเนี่ยทัดพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสมคบกันเนี่ยจ้างเอาให้ในายคำังธนูเขาว่าคมังแทะแปลว่าหนึ่งหนึ่งในในกรุงเนี่ย กุงราชสักขืนะ้น่ะที่ว่าแม่นธนูที่เป็นมือหนึ่งนันแะให้ไปยิงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่นะมีพระองค์หนึ่งนะมีสมณะท่านหนึ่งนะตอนตีสี่จะเดินอยู่แถบนี้ละเดินอยู่แถบนี้นะนอนนะพอออกมาแล้วให้ยิงเลยนะไม่ต้องถามอะไรแล้วยิงเลยนี่เอาธนูยิงเลยแต่ว่า นายคำังขนนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือพระพุทธเจา้าเออเพราะว่านายบอกให้ยิงอผู้ที่มานําทางให้ดูแล้วก็ยิงเลยคนนี้ก็เตรียมพร้อมเลยไงกลับมาแล้วก็ธนูเตรียมอาบด้วยยาพิษอะไรแบบที่ว่าคำังคมังนะพุทธมันมาสั่งมาจากหน่วยเหนือเนี่ยพอยิงเสร็จแล้ว ให้กลับออกไปทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะกลับออกทางนี้เข้าใจไหมครับพอทางออกมาเนี่ยเอานายขมังธนูอีกสองคนอีกดักเอาไว้ถ้าเห็นคนออกมานะถือธนูออกมานะให้พวกเราสองคนเนี่ยยิงเลยนะอย่าไปต้องถามว่าเป็นใครให้ยิงเลยเออแล้วก็ยิงเสร็จแล้วให้เดินออกไปทางนี้เข้าใจไหมแล้วก็ไปดัก นายํำวังธนูอีกสี่คนบอกว่าถ้าเห็นคนสองคนออกมาให้ยิงเลยนะไม่ต้องถามว่าเป็นใครแล้วก็ให้เวลายิงสองคนแล้วให้พวกสูเจ้าเดินออกทางนี้นะเป็นทอดๆจนถึงสิบหกคนฟังดูซิค่าตัดตอนนะ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอาํานาจวาสนาบุญยาพิสมพานจริงๆเนี่ยตายตรงพ่อว่านะ่ะออันนี้พอนายขมังธนูเข้าไปกับพระพุทธเจ้าลงเดินจงกลมตามปกติ พ, พระพุทธองค์ก็รู้อยู่แล้วมันเรื่องมันที่มันพระพุทธองค์บุญหนักสักใหญ่พอนายธมูเห็นมันได้จังหวะกับนาวธนูจะยิงเลยแต่ปล่อยลูกธนูไม่ออกเท่นี่อน้าวขึ้นมาก็ปล่อยลูกไม่ออก พออิทิิ์ของพระพุทธเจ้าโกงอยู่ยงั้นจนน้ำไหลไหลแล้วมันโกงมันหนักด้วยเนี่ยเอาลงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้เอาลงก็ไม่ได้เลยยืนกังจังอยู่นั่นนะทำท่าโกงทนูพระองเอ้าเป็นไรเธอทำอะไรโอ้ยข้าพองค์เขาบอกมาให้ข้าพองค์ยิงยิงท่านเขาญิงเราทำไมพระองค์กระเสียการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่น มันดีไหมถ้าเราไปยิงคนอื่นใช่แต่เขามายิงเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงพระองค์เทศให้ฟังเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ฟังผลให้สุกนะเทศแนวละวางแนวอริยสัจนายขมังสมุขคนนั้นก็ได้สําเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปทางนั้นนะเขาให้ไ ป, ไปทานไปทางนี้ครับนั่นละอย่าไปไ ป, ไปทางนี้ พอจำเร็จแล้วกับพุทธองค์ให้ไปทางนี้พอไอ้สองคนัก็คอยไม่รู้คอยไม่เห็นมันก็เดินกลับมาพ้นได้เวลานะมาพุทธองค์เทศให้ฟังอีกไปทางนี้อีกสี่คนมาอีกแปดคนมาอีกสิบหกกลมอีกมาทางเก่าผลในสุดสิบหกคนก็จะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีพิษมีภัยแล้วแต่สิบหกคนน่ะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ตงหลายปโปรดสัก อันนี้ก็คือพระเทวทัตวางแผนค่าตัดตอนนี่แหละในครั้งกันู้นก็เคยมีเพราะนั่นเรื่องความชั่วต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ชั่วเพราะนั่นน่ากลัวมากคือใจของพวกเราใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมนโนภูพังคมาธรรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจ จะไปทางชั่วก็ใจเป็นคนคิดจะไปทางดีก็ใจเป็นคนคิดถ้าใจได้รับการอบรมไปนะในทางที่ชั่วอ่าถ้าใจได้รับอบรมในทางที่ชั่วลับมาในทางที่ชั่วจินดีในทางที่ชั่วใจตรงนั้นมันก็ไปในทางที่ชั่วถ้าว่าใจของเราได้รับไปในทางที่ดีมีเหตุมีผลรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ใจตรงนั้นก็เป็น ศีลเป็นธรรมเป็นบัณฑิตนักปลดัดใจตรงนั้นก็พร้อมที่จะไปสู่ความสุขความเจริญอยู่น่าจสถานที่ใดมีแต่ความพาสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าใจเป็นภาลชนใจเป็นคนพาลเสยอย่างไปอยู่น่าสถานที่ใดกระเดือร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเพราะเหตุอะไรเพราะใจเป็นภาลชนใจเป็นคนพาลใจผิดงลชั่วใจเป็นมิดมิจฉาทิฏฐิเออเป็นใจเป็น เออหยาบช้าใจเป็นบาปอกุศลมันทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะนั้นใจคำนี้นหะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมากเพราะนั้นพวกเราจึงศึกษาเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจให้มองดูจิตใจให้มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีไปอยู่นสถานที่ใดล่มเย็นเป็นสุขตุกแห่งผล น, นี่แหละหลวงพ่อดูในพระไตรปิฎก ที่พระเทวทัตวางแผนเเออจากนั้นกน็มีมากมายหลายหลายอย่างที่คนชั่ววางแผนผลที่สุดก็บาปกรรมทั้งหลายก็ให้ผลกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วตัวเองจะเดือดร้อนจะได้รับกรรมชั่วตามสนองเออได้รับกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำไปแล้วตามภายหลัง เหมือนกับเราจับไฟจับจับไฟจะจับเฉลยดีกว่าถ้าเมื่อจับไฟแล้วมันจะผลแห่งไฟมันจะทําตนให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เมื่อจับไฟไปแล้วก็ต้องหายาใส่ใช่ไะมนะมันเดือดร้อนเสยนี่เหมือนกันนะความชั่วจะทําเฉลยดีกว่าเพราะความชั่วมาทําแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ในแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนามีมากหลากหลายลตอนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร